ซึ่งเจ้าของประวัติผู้ระลึกชาติได้ได้ตรัสเล่าและเล่าไว้เองจัดเป็นตัวอย่างแห่งการตายแล้วเกิดใหม่อันปรากฏในคมภีพระไตรปิฎกส่วนในชั้นอัตถกถานั้นมีเรื่องตายแล้วเกิดอยู่มากมายด่า ด, ดืนขอยกตัวอย่างสึกเรื่องหนึ่งปรากฏในอัตถกถาจุลกรร ม, มวิพังขสูตรดังนี้โตเทยยพระพรามบิดาของสุภมาณนบ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 ท่านยอวอผู้เขียนเล่าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. นึงเมื่อผู้เขียนพาสมานเณรไปดูท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในพบก่อนของสมา น, นเณรสมานเณรตอบได้อย่างแม่นยำสองบ้านสามผงที่สมานเณรอ้างถึงนั้นมีอยู่จริงสามทั้งทางบ้านและทางวัดยืนยันว่าเคยมีพระมาตายในปัญษาั้นถึงสามรูป